ถ้ามีผู้ถามว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยนะมันจําเป็นต้องมีความเห็นอ่าเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเท่านั้นหรือจึงจะบรรลุได้เรามีความเห็นอย่างอื่นแปดปนบ้างเอาความเห็นของคนนี้มาบวกบ้างเอาความเห็นของคนโน้นมาบวกบ้างโดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า เอาบัณฑิตของคนเอาบัณฑิตนั่นทีเอาบัณฑิตนี้ทีคนที่เขายกย่องว่าเป็นบัณฑิตคนเหล่านั้นก็ เ, เป็นคนดีถมเถไปเราเอาความเห็นของบุคคลเหล่านั้นมาบวกบวกได้ไหมเอาของพระพุทธเจ้าสักแปเอาของบัณฑิตอื่นๆในรัฐที่ทั่วๆไปเนี่ยนะมาบวกอย่างละสอเรนี่ยนะรวมเป็นร้ออพอดีบรรลุได้ไหมอย่างงี้ถามว่าอย่างนี้ได้ไหมก็บอกเอางี้สิคุณก็หงค่าคงเอาทายมาสัก ถ้าว่าเาข้าสารสักแปดอนตเอากรวดสัก 3% เอรเซ็นาหินสักสเปอต์ตะกรวดเปซนี่ยนะแล้วก็ยาพิษอีกสักสเปอเ็นตป็นต้นมารวมแล้วอาหารนั้นอะดื่มได้ทานได้ไหมเหมาะไหมอย่างนี้หรือไม่เราจะดื่มน้ําทําไมเราต้องดื่มน้ําบริสุทธิ์นะล้วก็เอาปัสสาวะผสมบ้างเอาน้ำโน่นน้ํานี่เป็นต้นมาผสมบ้างได้ไหมคุณดื่มได้ไวลาปัญหาว่าสาคัญว่าคุณดื่มแล้วคุณจะต้องการผลลัพธ์แบบใดฉันใด ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนนั้นอะจำเป็นจะต้องมีความเห็นที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าใช้คําว่าผู้มีความเห็นที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเมเกใช่ไหมความเห็นอันบริสุทธิ์ผุดผ่องแม้แต่ความเห็นที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ยึดถือด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิในทิฏฐิที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจะกล่าวไปใยถึงทิฏฐิที่เปื้อนกับมิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิที่เป็น มิจฉาทิฐิอย่างสูตรก่อนที่บอกว่าแม้แต่วิปั ส, สนาแม้แต่สมถะพระองค์ก็ยังไม่สอนให้ยึดด้วยตันหาและอุปาทานไม่จําเป็นต้องพูดถึงบาปอคุโลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์อย่างที่เราเรียนรัฐวินีตสูตรเป็นต้นมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่า ศีลวิสุทธิจิตตาวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามขายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยจะไม่มีเค่ว่าบริสุทธิ์ 70% ็นต์เปอรเ็นต้ป็นตเน้นี่ยไม่มีมีแต่ว่าต้องบริสุทธิ์ร้อเอร์เอย่างเดียวถ้าไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะบรรลุพระนิพพานที่เป็นวิสุทธิ ที่บริสุทธิ์แท้จริงได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเคร่งครัดกับว่าทําอย่างไรความเห็นของเราจึงจะเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ความคิดของเราจึงจะเป็นความคิดที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคำพูดของเราเป็นคําพูดที่บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์เนี่ยคือไม่มีเจตนาร้ายแอบแฝงแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นคําพูดที่เกิดจากความโง่เขลาความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าผู้เรื่องซื่อตรงก็จริงแต่ไม่ได้เซ้อไม่มีว่าซื่อตรงแล้วก็เซ้อด้วยนะอันนี้ไม่มีมีแต่ว่าซื่อตรงอ่อนโยนไม่เย่อหยิง่งมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเป็นต้นคือจะเป็นลักษณะ น, นั้นนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเป็นคําสอนที่เรียกว่าผู้ใดปฏิบัติตามคําสอนผู้นั้นไหว้ได้อย่างสนิทใจกราบได้อย่างสนิทใจเพราะเป็นคำว่าอันชลีกรณิโยเนี่ยนะอัญชลีกรณิโยกราบสนิทใจไหว้สนิทใจ ถ้าจะต้อนรับเชื้อเชิญใครมาเยี่ยมบ้านสักคนหนึ่งก็คือเอาคนบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจะเอาของไปฝากใครบุคคลเหล่านั้นคู่ควรแก่ของฝากเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและบริสุทธิ์ทางใจโดยเฉพาะบริสุทธิ์ทางความเห็นเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ผุดพองความเห็นที่บริสุทธิ์ผุดพองเหล่านั้นเนี่ย มันเป็นความเห็นที่ไม่เจือปนด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเลยเนี่ยนะมันเราจะกลั่นกรองความเห็นของเราอย่างไรให้บริสุทธิ์ผุดผ่องงนั้นความเห็นที่บริสุทธิ์เนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้าให้ให้ความสําคัญว่าเป็นสารเนี่ยนะเป็นแก่นสารเป็นรัตนเนี่ยนะที่เรียกว่าปัญญารัตนเนี่ยเพราะเป็นแก้ว นะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญนั้นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นสำคัญที่สุดก็แปลถ้าพูดว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องอ่ะเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐก็เท่ากับตำหนิตเตียนว่าความเห็นผิดเป็นสิ่งที่ชั่วช้าและก็เลวร้ายเนี่ยนะคำว่าบาปเนี่ยนะชั่วช้าเนี่ยแปลมาจากคำว่าบาป ช, ชั่วชั่วช้าเ น, นี่ยนะก็คือเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อผิดเนี่ยนะ อกุศลธรรมทั้งหลายมิจฉาทิฐิทั้งหลายถ้าหากว่ามิจฉาทิฐินิดหนึ่งมันก็มีผลเจ็บปวดนิดหนึ่งถ้ามิจฉาทิฏฐิมากเท่าใดก็มีผลเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะนะก็เหมือนกับว่าเราเข้าใจอะไรผิดผิดเนี่ยนะเราเข้าใจอะไรผิดผิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างสมมติถ้าเป็นทางโลกเนี่ยนะเรื่องการเงินและการลงทุนถ้าเราเข้าใจผิดเนี่ยหมดตัวไหมอ้าวก็หมดตัว เรื่องเครื่องยนต์กลไกเนี่ยถ้ารองเราเข้าใจผิดยังไม่ได้ขันน็อตเนี่ยนะแล้วเข้าใจว่าขันน็อตเสร็จหมดแล้วเนี่ยตรงจุดที่สําคัญสําคัญอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมจบเลยใช่ไหมเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเข้าใจผิดอย่างเงี้ยนะยังไม่ปิดไฟคิดว่าปิดไฟยังไม่เปิดคิดว่าเปิดเป็นต้นเนี่ยถามว่าเสียสร้างความเสียหายให้ไหมเสียหายอยู่แล้วหรือเข้าใจผิดอย่างสมมติว่าหมอผ่าตัดลืมเอาภากนอตเป็นต้นลืมเอากันไกลออกมาเนี่ยนะลืมเข้าใจผิดคิดว่า เอาออกมาแล้วเนี่ยคนไข้เป็นยังไงหรือดื่มก็ก็ดื่มยาเนี่ยนะพอดีเอายาฆ่ายาเนี่ยนะซึ่งมาผสมกับยาที่มันสีอะไรกลิ่นคล้ายๆกันกับยาบางอย่างเนี่ยแล้วดื่มเข้ามาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นวันความเข้าใจผิดถ้าบวกเข้ามาแม้เล็กน้อยสร้างความเสียหายให้ทุกอย่างเลยเนี่ยนะขอให้เข้าใจผิดเถอะหรือเขาบอกว่าเขามีพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาก เขามีพวกบริวารเนี่ยเข้าใจผิดเขาเชื่อว่ากลุ่มยาไซยาไนา์กลุ่มยาพวกตะกัวเป็นต้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะผสมยาพวกนี้ให้พระราชาพวกนั้นบดเสวยทุกวันทุกวันทุกวันอายุสั้นเลยเนี่ยนะนี่ยาอายุวัฒนะเนี่ยนะกระที่ไหนได้ก็กินยาพิษชัดเลยเนะียผสมยาพิษเดิมให้เดิมกินทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเช่นสมมติว่าเอาเนี่ยยานี้ยาแก้ปวดใส่สาร นนะใส่สารสเตีรอยเนี่ยปริมาณจํานวนมากแล้วก็ต่อเนื่องเป็นต้นเนี่ยเข้าใจผิดผิดคิดว่าเป็นยาชะงัดนักแลห์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยก็ยาอายุสั้นนะสิใช่ไหมถ้าเราการกระทําเหล่าใดด้วยกายวาจาใจก็ตามถ้าทําเกิดจากความเข้าใจผิดมีแต่ความเสียหายเดินทางผิดคิดผิดพูดผิดเนี่ยนะอะไรก็ตามที่ผิดผิดนำมาซึ่งพิษภยัยแล้วก็ทุกโทษโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะ อย่างเช่นพวกปฏิเสธไม่มีกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะบาปขนาดไหนเช่นคิดว่าฆ่าแล้วไม่บาปคิดว่ารักแล้วไม่บาปคิดว่าพระพฤหัผิดกามเมเป็นต้นไม่บาปมูสาไม่บาดดื่มสุราไม่เป็นไรเจริญอภิชาพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิไม่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นบาปเขาจะทําสิ่งนั้นเพิ่มไหมเพิ่มอยู่แล้วก็จะมีแต่ปริมาณแห่งความชั่วที่เพิ่มขึ้นคือความชั่วทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า มันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นหรอกถ้าขึ้นชื่อวันนับหนึ่งเนี่ยมันหยุดแค่หนึ่งไหมไม่จะมีสองมีสามมีสี่มีห้าทีนี้มันไม่ได้มีค่อยๆเพิ่มตามลําดับอย่างนี้อย่างเนี้ยมันมีบวกเข้าไปด้วยมันมีคูณเข้าไปด้วยมันมีแบบลักษณะคูณแบบยกกําลังอีกหลายๆเท่านักเลยเนี่ยนะมันมีการกระจายตัวแล้วมันมีการแพร่หลายทิฐิทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนันมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแล้วแต่ว่าจะสร้างทิฏฐิเหล่าใดขึ้นมา ในโลกวันชมนักคิดทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าของทิฐิทั้งหลายจะเรียกว่าผู้มีอุปการะต่อโลกหรือผู้ทําลายล้างผลาญโลกก็ได้คือพวกนักทิฐิทั้งหลายเนี่ยนะอย่างผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายพวกล้างผลาญโลกมิจฉาทิฐิคิดว่าเราจะจัดระเบียบโลกต้องทําสงครามเนี่ยนะฆ่าคนเลวให้หมดเหลือไว้แต่คนดีๆเนี่ยนะอันนี้พวกนี้ก็เกิดจากมิจฉาทิฐิทั้งนั้นหรือไม่จะต้องรักที่มิจฉาทิฏฐิมันสารพัดชนิด บางทิฏฐินำมาซึ่งปานาติบาสบางทิฏฐินำมาซึ่งอธินนาทานบางทิฏฐิกามีสุมิชฌาฌานแพร่หลายบางทิฏฐิเนี่ยปิสุณาวาจาแตกแยกกันไม่รู้กี่กกต่อกี่กกบางลัทธิบางทิฏฐิเต็มไปด้วยมุสาวาทอภิชาพยาบาทที่รุนแรงไปต้นมิจฉาทิฏฐินั้นจึงเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสุดแท้ว่าปริมาณที่หยอดใส่เข้ามานี้หนักหนาขนาดไหนทิฏฐิมันละยากเพราะเกิดร่วมกับโลภะ เพราะคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยเต็มใจที่สุดที่เป็นมิจฉาทิฐิดีใจที่ตัวเองได้เป็นมิจฉาทิฐิพอใจแล้วก็สะใจายอย่างเต็มที่ในมิจฉาทิฐิพันธ์มิจฉาทิฐินั้นจึงเป็นบาปประธรรมที่ละยากที่สุดเพราะคนที่ผิดเข้าใจว่าถูกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเราคิดยังไงจึงจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะปรับเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรให้เป็น สัมมาทิฏฐิเพราะในระดับสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะอย่างในสูตรเนี่ยมหาตันหาสังขยสูตรนั้นจึงกล่าวทิฏฐิที่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิบริสุทธิผุดผ่องจริงๆเพราะขาจัดมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นขจัดสัสถะทิฏฐิออกไปสัสถะทิฏฐิเนี่ยนะดูตรงนี้เหมือนกับคนดีเลยแหละในสายตาคนทั่วไปเรียกว่าคนดีเลยเพราะอะไรเพราะถือว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยง เมื่อวิญญาณเที่ยงบุญก็มีบาปก็มีเมื่อบุญมีบาปมีถ้าคุณอยากได้ความสุขคุณก็ทําบุญสิเมื่อคุณอยากพ้นทุกคุณปรารถนาทุกข์คุณก็ทําบาปก็อยู่ที่บุญที่บาปวิญญาณเป็นผู้ทํากรรมวิญญาณเป็นผู้เสวยผลของกรรมมันก็เออมันก็ฟังดูฟังดีอ่ะเอา้าถ้าหากว่าไปพูดง่ายๆ ม, ม, มัวๆว่าอนัตตาใช่ไหมเอาถ้าใครทํากรรมแล้วใครรับผลของกรรมแต่นี่มีผู้ทํากรรมคือวิญ ญ, ญาณมีผู้รับผลของกรรมคือวิญ ญ, ญาณ มันเป็นมิจาทิฏีิยังไงเนี่ยนะซึ่งซึ่งถ้าหากว่าไม่เคร่งครัดในพุทธพจน์หน่อยเนี่ยโดยม า, จากจะเข้าข้างสาติภิกษุแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าทําเกินไปดูสิปนามปนามพระสาติเลิกเกินเนี่ยนะปะนามเลิกเกินแหมพระ อ, องค์น่าจะกรุณานะน่าจะน่าจะน่าจ ะ, าจะแหมเรียกร้องหาแต่ความกรุณาแต่โง่ขนาดหนักไม่ว่าเนี่ยนะสร้างความเสียหายทําลายพุทธศาสนาเนี่ยนะ ขนาดหนักก็บอกว่าแม่น่าจะกรุณากันบ้างอันนี้คือความความเห็นผิดความคิดผิดแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายแล้วก็ร้ายกาจมากเพราะว่าทิฏฐิของสาติภพิสุที่อยู่บนพื้นฐานว่าวิญญาณเที่ยงมีผู้ทากรรมมีผู้เสวยผลแห่งกรรมเช่นวิญญาณเป็นผู้ทากรรมวิญญาณเป็นผู้เสวยผลแห่งกรรมถ้าคิดอย่างนี้บ่อยบ่อยบ่อยๆ มากมากคิดว่าจะเจริญสินไหมยัง่าจะเจริญอธิจิตจเจริญอธิปัญญาไหมจะรู้เหตุเกิดความดับของขันห้าไหมจะใส่ใจม่าวิญญาณเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุให้เกิดใส่ใจว่าถ้าจะดับวิญญาณเพราะได้เพราะอะไรดับจะใส่ใจแบบนี้ไหมใส่ใจไหมว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมนามรูปเป็นเหตุหให้เกิดวิญญาณถ้าจะดับวิญญาณนี่จะต้องดับด้วยดับอาหารดับดับ อวิชาดับตันหาดับกรรมเนี่ยนะแล้วก็ดับนามรูปวิปรินามามลักษณะพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวิญญาณมันผู้บุคคลที่ถือว่าวิญญาณเป็นสาระแก่นสารถือว่าวิญญาณเป็นของเที่ยงจะมีอะไรนอกจากสรรเสริญวิญญาณแล้วก็บูชาวิญญาณก็เท่ากับบูชามายากลเนี่ยนะก็บูชามายากล ก็บูชาวิญญาในสิ่งที่กลับกรอกเนี่ยนะก็ถือว่าบูชาสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารบูชาในสิ่งที่เป็นอนิจจงบูชาในสิ่งที่เป็นทุกบูชาในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้เนี่ยนะว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเท่ากับบูชาทุกบูชาโรคบูชาฝีบูชาลูกศรเนี่ยนะบูช า, ช า, นะ ช, าชาติชาาและมรณะก็เท่ากับบูชาวัตตะเมื่อเป็นอย่างนั้นจะพ้นจากทุกได้ไหม ก็พ้นจากทุกไม่ได้เพราะถ้ายึดติดในวิญญาณแล้วจะพ้นจากวิญญาณได้ไหมถ้าติดในวิญญาณมันก็จะไปติดในนามรูปที่เป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของวิญญาณด้วยแล้วไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ยังเพิ่มพูนไปหาอย่างอื่นต่อไปอีกเนี่ยนะก็สรุปว่าไหลไปสู่ชาติชรามอรณะเพราะวาความความคิดความเห็นความเข้าใจที่บวกกับมิจฉาทิฐินั้นถือว่าอันตรายที่สุดเนี่ยนะทีนี้ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นคนในพระพุทธศาสนาล่ะ ถ้าเช่นเป็นพระพิสุเป็นต้นแล้วประกาศเผยแพร่ทิฏฐิเหล่านี้ซึ่งตัวนี้คิดว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นคําของพระพุทธเป็นคําของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธพจน์เมื่อคิดว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นพระพุทธพจน์ เอามาเจริญเอามาเผยแพร่กันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวทุ่มเทกันเต็มที่แล้วคนที่เชื่อเนี่ยคนถ้าเชื่อมากเรื่องใดเนี่ยนะพูดแล้วคนจะเชื่อมากเท่านั้นอย่างคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดด้วยอนุภาพของมิจฉาทิฏฐิที่รุนแรงมากเนี่ยนะอนุภาพของทิฐิเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเชื่อได้ด้วยสำน ว, นวนว่าสามารถปั้นน้ําเป็นตัวขึ้นมาได้เลย เพราะอนุภาพแห่งความเชื่อเนี่ยนะเพราะอนุภาพแห่งความเชื่อเพราะนนคนที่เชื่อจึงจะหลอกให้คนอื่นเชื่อได้สําเร็จเนี่ยนะต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วจะบอกให้คนอื่นเชื่อตามตนได้จนประสบความสําเร็จพรน้นทิฏฐิอันนั้นจึงอันตรายและถ้ายิ่งอยู่ใกล้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ค่อยๆบิดเบือนคําสอนไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านี้พื้นฐานมาจากอะไรมาจากสตตะสัญญาเนี่ยนะมาจากอัตตสัญญามาจาก อัตวาทุปาทานเนี่ยนะมาจากมิจฉาทิฐิทั้งหลายเพวันทิฐิเหล่านี้พระองค์จึงแก้ว่าอย่างเช่นถ้าเข้าใจผิดในเรื่องวิญญาณว่าวิญญาณเที่ยงพระองค์บอกว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยนันะวิญญาณเนี่ยนะมีชื่อตามปัจจัยแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่ใช่วิญญาณนี่มันเกิดแช่รอที่ตาไม่อาศัยตากับรูปจึงเกิดวิญญาณไม่ใช่วิญญาณเนี่ยเกิดรออยู่แล้ว อาศัยหูกับเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณเราได้ยินมีมีผู้มาคอยได้ยินรออยู่ไหมไม่อาศัยหูกับเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นจึงเกิดขานวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสจึงเกิดเชียวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธพภะจึงเกิดกายยะวิญญาณอาศัยมโนกัตธรรมารมณ์จึงเกิดมโนวิญญาณความความความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วจะไปเข้าใจผิดอย่างอื่นทําไม แต่ปุถุชนผู้ที่หุนหันพลันเล่นผู้ที่ไม่เข้าใจสัจธรรมความจรงิงกลับไปหุนหันพลันเล่นสำคัญผิดคิดว่าวิญญาณนี้เป็นของเที่ยง